สิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่งคือวัดเป็นสถานที่สําคัญในวงพุทธศาสนาและพุทธบริษัทซึ่งน่าจะอดคิดเป็นสิริมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่ได้ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัดเพราะคําว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณการโดยไม่นิยมว่าเป็นวัดบ้านหรือวัดป่าเนื่องจากวัดเป็นที่รวมจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดเจตนาดีสูงส่งของพุทธบริษัทไม่มีประมาณไว้โดยไม่มีทางรั่วไหลแม้วัดจะชำรุดสุดโทมหรือสวยงามเพียงไรใจท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วๆไปย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้ชาวพุทธผู้ก้าวเข้าไปในวัดใดจะเป็นกรณีใดก็ตามจึงควรระวังสำรวมอินทรีย์ด้วยดีให้อยู่ในความดีงามพอสมควรตลอดการนุ่งห่มต่าง ควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาหแห่งโลกทั้งสามเฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระข้างไม่ค่อยมีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่จเจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุค แต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกหวาดเสียวใจพิกล ค, คล้ายจะเวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้นทั้งนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็นเพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยากเพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้วแต่พอมาเจอสิ่งแปลกตาล่าธรรมะเข้าจึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมาโดยมากราทุดุงป่าป่า ท่านพูดในทํานองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสารแม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งนอกและในประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดป่าและวัดบ้านทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยะกขยง และวหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทำให้ท่านหายตกใจหวาเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆวัดท่านอาจารย์องค์นี้อยู่ในป่าในภูเขาเป็นทำเลบำเพ็ญภาวนาดีมากเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่ารื่นรมท่านว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมาก ถาจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงทั้งหลายก็ไม่อาจตําหนิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากผลทางที่น่าตําหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาดอาจเป็นตามธรรมะที่ท่านแสดงไว้ว่านิสัยดั้งเดิมประสาวกทั้งหลายละไม่ขาด นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงท่านอาจารย์องค์นี้เวลามีคนเข้าไปพลุกพล่านไม่เข้าเรื่องเข้าราวมากๆท่านจะปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามซอกหินบนภูเขาโน้นจนกว่าเรื่องสงบลงตอนเย็นๆหรือค่า ม, มืดถึงจะกลับลงมาที่พักเมื่อถูกถามว่า ทำไมท่านจึงหลบหลีกปลีกตัวออกไปอยู่ที่เช้นนั้นเล่าท่านก็ให้เหตุผลว่าธรรมะเรามีน้อยสู้กำลังของโลกที่เชี่ยวจัดไม่ไหวจำต้องหลบหลีกไปคืนอยู่ต่อไปธรรมะต้องแตกทลายที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพื่อตัวเองแม้ไม่มีวาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้แต่เท่าที่ทราบมา ท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์ประชาชนอยู่มากตามปกตินิสัยที่ท่านปลีกตัวหลบหลีกเป็นในบางกรณีนั้นน่าจะเหลืออดเหลือทนดังท่านว่าที่ฝ่ายทำลายโดยไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้ซึ่งมีจำนวนมากและโดนอยู่เสมอแต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศิลธรรมความดีงามไว้มีจานวนน้อยต้านทานน้าหนักไม่ไหว ก็จำต้องได้รับความลําบากเป็นธรรมดาส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตรพระมากกว่าจะสังเกตตัวเองเวลาเข้าไปในสถานที่ควรเคารพนับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตาน่าคิดสําหรับท่านผู้มีความสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวไม่ปล่อยตัวไม่สํารวมที่เคยเป็นนิสัยมาโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะสังเกต หรือมีอะไรกับตนเองบ้างจึงลำบากเวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเขาท่านไม่ค่อยสนใจกับยู่ยาอะไรเลยยิ่งไปกว่าการระ ง, งับด้วยธรรมโอสถซึ่งได้ผลทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันและยึดเป็นหลักใจระลึกไว้ได้นานกว่าธรรมดาท่านเคยระ ง, งับไข้ด้วยวิธีภาวนามาหลายครั้ง จนเป็นที่มั่นใจต่อการพิจารณาเวลาไม่สบายเริ่มแต่จิตเป็นสมาธิคือมีความสงบเย็นใจเวลาเป็นไข้ทีไรท่านต้องตั้งหน้าสู้ตายกับการภาวนาโดยความมั่นใจที่เคยเห็นผลประจักษ์มาแล้วแรกๆได้อาศัยท่านอาจารย์มั่นคอยให้อุบายเสมอในเวลาเป็นไข้โดยยกเรื่องท่านขึ้นเป็นพยานว่า ท่านจะได้กำลังใจสำคัญสำคัญที่ไรต้องได้จากการเจ็บป่วยแทบทั้งสิน้นเจ็บหนักป่วยหนักเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตัวดีแล้วรวดเร็วไปกับเหตุการณนน์นั้นๆที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วยโดยไม่ต้องถูกบังคับให้พิจารณาและไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลยนอกจากจะพยายามให้รู้ความจริงของทุกโวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นและโหลเข้ามาในเวลานั้น ด้วยสติปัญญาที่เคยฝึกหัดอยู่เป็นประจำจนชำนิชำนาญบางครั้งท่านอาจารย์มั่นมาเตือนขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเนบเนบว่าท่านเคยคิดไม่ว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตายทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ในภพชาติที่ผ่านานมาเพียงทุกข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดา ซึ่งโลกโลกเขาม่ได้เรียนธรรมะเขายังพออดพอทนได้บางรายเขายังมีสติดีมีมารยาทงามกว่าพระเราเสอีกคือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนพระบางองค์ที่แย่ๆซึ่งไม่น่าจะมีในวงพุทธศาสนาเลยและไม่น่าจะมีจะทำศาสนาให้เปื่อนเปรอะไปด้วย แม้เจ็บมากทุกมากเขายังมีสติควบคุมมารยาทให้อยู่ในความพอดีงามตาได้อย่างน่าชมผมเคยเห็นค า, ารวาสป่วยมาแล้วโดยลูกๆเขามาลีมนผมเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาเวลาจวนตัวจะไปไม่รอดพ่อเขาอยากพบเห็นและกราบไหว้ในวาระสุดท้ายพอเป็นขวัญใจระลึกได้เวลาจะแตกดับจริงๆขณะเราเข้าถึงบ้านพ่อเขา พอมองเห็นเรากำลังก้าวเข้าไปที่เตียงนอนเท่านั้นทั้งที่กำลังป่วยหนักปกติลุกนั่งคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยพยุงกันแต่ขณะนั้นเขายังสามารถพรวดพลาดลุกขึ้นคนเดียวได้ด้วยสีหน้าที่ยย้มแย้มแจ่มใสาเต็มที่ไม่มีอาการไข้และป่วยหนักใดๆปรากฏเหลืออยู่พอให้ทราบได้ว่าเขาป่วยหนักเลยทั้งกราบทั้งไหว้ด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจในจิตใจและมารยาทที่อ่อนน้อมสวยงาม จนใครๆในบ้านเกิดพิศงวงงงงันไปตามๆกันว่าเขาลุกขึ้นมาโดยลำพังคนเดียวได้อย่างไรเมื่อปกติแม้จะพลิกตัวเปลี่ยนการนอนท่าต่างๆก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะความระมัดระวังกลัวจะถูกกระทบกระเทือนมากและอาจสลบหรือตายไปเสียในขณะนั้นแต่พอเห็นท่านเข้ามากลับเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนไข้ที่จนจะตายอยู่แล้ว จึงอัศจันไม่เคยเห็นดังนี้และชาวบ้านพูดกับผมว่าเขาตายไปหลังจากเวลาที่ผมออกมาไม่นานนักเลยด้วยความมีสติตลอดเวลาสิ้นลมหายใจและไปอย่างสงบประสบสุขโตไม่ผิดพลาดส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้นทำไมนอนใจไม่พิจารณาหรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจจึงทาให้ร่างกาย อ่อนเปียกไปด้วยพระกรรมฐานถ้าขืนเป็นการลักษณานี้มากๆศา ส, สนาต้องถูกตำหนิกรรมฐานต้องล่มจมไม่มีใครสามารถสรงไว้ได้เพราะมีตะคนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแต่ขึ้นเขียงให้กิเลสมันสับเอายำเอาสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านมีได้ประทานไว้สำหรับคนขี้เกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้านั่งเฝ้าไข่ยอยู่เฉ ย, เฉย ไม่คิดค้นพิจารณาด้วยธรรมะดังกล่าวเลยการหายไข้หรือการตายของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยสู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านอย่านําลัทธิและวิชาหมูนอนคอยเคียงอยู่เฉยๆมาใช้ในศาสนาและวงพระกรรมฐานผมอายคารวาะผู้เขาดีกว่าพระและอายหนูโตที่ตายแบบเรียบๆซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้แล้วอ่อนแอ และตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัว